ตราบดที่เรายังไม่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เราก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เลยและการที่จะปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากแต่ถ้าหากคนไหนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระอริยบุคคลคนนั้นก็จะเกิดความเลื่อมใสในความพระพฤติของท่านและครั้นแล้วเขาก็จะปฏิบัติตามได้โดยไม่ยากทั้งนี้ก็เพราะท่านเป็นบุคคล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 ข้าพเจ้าหมายถึงว่าเขาผู้นั้นจะมีคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นแล ะ, จะเจริญ ง, งอกงามยิ่งขึ้นการมีศรัทธาต่อความดีศรัทธาต่อคนที่ประพฤติดีอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสาหรับมนุษยชาติเพราะโดยธรรมดาถ้าหากคนเราไม่ศรัทธาต่อความดีแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะประพฤติตัวเป็นคนดีได้เลยก็ในบรรดาบุคคลซึ่งจะเป็นที่ตั้งของศรัทธานั้น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 แต่เราก็ไม่ควรจะเข้าใจในเรื่องนี้แค่ไปคือเข้าใจแต่ในแง่ที่ว่าเมื่อเราได้บริจาคทานให้กับพระอริยะบุคคลแล้วได้บุญมากนั้นหมายถึงจะทําให้เราร่ารวยมากอะไรทำนองนี้ยังมีอีกแง่หนึ่งที่ควรจะคิดก็คือเพราะเหตุที่พระอริยบุคคลนั้นมีทั้งพระและคารวาสมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีทั้งหญิงและชาย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 เขมาเขมาสรณะขมณะปริทีปิกาคาถามนุษย์ส่วนมากในเมื่อถูกภัยคุกคามหรือเกิดความกลัวหรือต้องการผลยังใดอย่างหนึ่งเช่นต้องการมีบุตรเป็นต้นก็มักพากันไปยึดถือเอาภูเขาป่าไม้อารามหรือลุกคาเจดีที่ตนเองถือว่าศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่เป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษม